อาสวะสาสวะทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจญญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยร้อเกสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะอาศัยฟามาสวะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักรไน Forward, อวิชชาสวะอาศัยภาวะสวะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักกนไนอวิชชาสวะอาศัยทิฐาสวะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยอาสวะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นอารมณ์ของอาสวะ และที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาสัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ทิฏฐิสวะอวิชชาสวะสัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยฟามาสวะเกิดขึ้นอาศัยพวารสวะพึงผูกเป็นจักกันในรยสิ0สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจได้แก่อาจวะอาศัยขันที่เป็นอารมณ์ของอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะเป็นอารมณ์ของอาสวะและที่เป็นอารมณ์ของอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันสามอาสะวะและจิตตสมุทฐานรูป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 อาศัยขันสองพึงผูกเป็นจักรนัยยอ่อปฏิจาวาระสหชาตววาระปัจยะวาระนิจญะวาระสังสัตววาระและสัมปยุตตวาระก็มีอย่างนี้พึงทำเหมือนอาสวะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันสิบเจ็ดอาสวะสาสวะทุกกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระ เทตุปัจจัยและอารมณะปัจจัยในปัญหาวาระไม่พึงเพิ่มโลกุตระแต่พึงเพิ่มคําว่าพระเสขะพิจารณาโกตรภูพิจารณาโวทานแม้อธิปติปัจจัยผู้รู้ทราบเนื้อความทั้งหมดแล้วพึงเพิ่มอนันตรัปัจจัยสิบสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะ โดยนันตระปัจจัยได้แก acy, bracelet, beach, a, iana, ่อาสวะที assim, ่เกิดตอนก่อนเป็นปัจจัยแก่อาสวะที่เกิดหลังๆโดยนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโดยอนันตระปัจจัยได้แก่อาสวะที่เกิดตอนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเกิดหลังๆโดยนันตระปัจจัย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 สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเกิดฟอนฟอนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตระภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทาน อาวชนาจิตเป็นปัจจัยแฝ่ขันที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแฝ่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อาสวะที่เกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอาวชนาจิต เป็นปัจจัยแก่อสุวะโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอสุวะแต่ไม่เป็นอสุวะเป็นปัจจัยแกสภาวธรรมที่เป็นอสุวะเป็นอารมณ์ของอสุวะและที่เป็นอารมณ์ของอสุวะแต่ไม่เป็นอสุวะโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอสุวะแต่ไม่เป็นอสุวะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่อสุวะและสัมปยุตขันธ์ที่เกิดหลังโดยอนันตระปัจจัยอาวัชชะจิต เป็นปัจจัยแก่อสุวะและสัมปยุตตขันโดยอนันตระปัจจัยร้อสภาวะธรรมที่เป็นอสุวะเป็นอารมณ์ของอสุวะและที่เป็นอารมณ์ของอสุวะแต่ไม่เป็นอสุวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอสุวะและเป็นอารมณ์ของอสุวะโดยอนันตระปัจจัยได้แก่อสุวะและสัมปยุตตขันที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่อสุวะที่เกิดหลังโดยอนันตระปัจจัย สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะเป็นอารมณ์ของอาสวะและที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที <Bless ing suggestions> <onya> <suspicious S 2> ่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโดยอนันตระปัจจัยได้แก่อาสวะและสัมปยุตตะขันที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอาสวะและสัมปยุตตขันเป็นปัจจัยแก่วุฐานะ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 พึงขยายให้พิสดารทั้งหมดอย่างนี้แม้ในอาจวะทุกกะก็พึงทำอนันตระปัใจจัยให้เหมือนกับทุกกะนี้อาวชนะจิตและวุฒนะท่านยกขึ้นแสดงไว้แล้วอย่างนี้ย่อทุกอย่างบริบูรณ์แล้วพึงทำให้เหมือนกับอาจวะทุกกะไม่มีข้อที่แตกต่างกันอาจวะสาสวาทุกกะจบ 18. อาจวะสาสวาสามปยุตตาทุกกะ หปฏิจจาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยร้อยสิห้าสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะอาศัยคลามาสวะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักนัยอวิชชาสวะอาศัยพวารสวะเกิดขึ้น พึงผูกเป็นจักรนัยอวิชชาสวะอาศัยทิฏฐิสวะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมบยุญัตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและสัมบยุญัตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่สัมบยุญัติักขัอาศัยอาสวะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะสัมบัญญัตด้วยอาสวะและที่สัมบยุญัตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ อาศ well ัย nee. สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธิ <u> <u> ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ทิฏฐิสวะอวิชชาสวะและสัมปยุทธะขันธ์อาศัยขามาสวะที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักรนายทั้งหมดร้อยสิบหกสภาวธรรมที่สัมปยุทธิ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่เป็นอา airline, สวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ voilà ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่อาสวะอาศัยขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ และที่สัมปยุดด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและอาสวะอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุดด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสอง1้อสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุดด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะสัมปยุดด้วยอาสวะ และที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจได้แก่ทิฏฐ์อาสวะและอวิชชาสวะอาศัยขามาสวะและสัมปยุทธ์จักรันเกิดขึ้นพึงผูเป็นจักรนายทั้งหมดสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่ขันสาม อาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะและอาศัยอาสวะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะสัมปะยุทธ์ด้วยอาสวะและที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันสามทิฏฐสวะและอวิชชาสวะ อาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะและอาศัยฟามาสะวะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองพึ่งผูเป็นจักกนัยพึงเพิ่มปัจจัยทั้งหมดอย่างนี้หนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนั้อยส18เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9้าวาระย่อกรรมปัจจัยในก้าววาระไม่มีวิบากอาหารัปัจจัยในก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยในก้าวาระอนุโลมจบสองปัจจยะปัจจเนยะหนึ่งวิพังขวาระณอธิปติปัจจัยเป็นต้นร19สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและสัมยุญด้วยอาสวะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสะวะและสัมปยุทธิอาสะวะเกิดขึ้นเพราะนาอธิปติปัจจัยบทที่มีหน้าเหตุตปัจจัยเป็นมูลไม่มีเพราะนาปุเรชาตตปัจัยเพราะหน้าปัจฉาชาตาปัจจัยย่อสองปั จ, จยะปัจญจิยะสองสังคยาวาระสุทไนรยยี่สหน้าอธิปติปั จ, จัจมีกลาวาระนะปุเรชาตาปั จ, จัยมีกาวาระ ณปัจฉาชาตะปัจจมีเก้าวาระณอาศัยวนปัจจมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจมีเก้าวาระณวิปยุตตะปัจจมีเก้าวาระการนับสองอย่างนอกนี้สหชาติวาระปัจจะวาระนิสยวาระและสังสัตถวาระบริบูรณ์แล้วอย่างนี้เหมือนกับปฏิจจวาระสิบด อาสะวะอาสะวะสัมปยุตตทุกกะ 7. ปัญหาวาระ 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังขวาระเหตุปัจจัยร้อยยีสภาวธรรมที่เป็นอาสะวะและสัมปยุตด้วยอาสะวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโดยเหตุกปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันโดยเหตุกปัจจัยอารามณะปัจจัยเป็นต้นร้อสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยอารามณะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะโดยอารมณะปัจจัยได้แก่ เพราะปรารกขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาสวะจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโดยอารมาณปัจจัยได้แก่เพราะปรารกขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาสวะและขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะจึงเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอาสวะสำบัญยุธทธ์ด้วยอาสวะและที่สัมัยุธทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมัยุธทธ์ด้วยอาสวะโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงเพราะอธิปติปัจจัยพึงทําให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเหมือนกับอารมณปัจจัยเพราะอนันตระปัจจัยเหมือนกับอารมณปัจจัยนั่นเองพึงเพิ่มคําว่าที่เกิดก่นกอนๆไว้ เพราะสมนันตรปัจจัยเพราะสหชาตระปัจจัยเพราะอัญญามัญญปัจจัยเพราะนิสยาปัจจัยเพราะอุปาณิสยาปัจจัยเหมือนกับอารามณปัจจัยนั่นเองไม่มีการจำแนกไว้มีสามวาระเพึงเพิ่มอุปาณิสยาปัจจัยทั้งหมดกรรมปัจจัยเป็นต้นร้อสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ แต่ไม่เป็นอาสวะโดยกรรมปัจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอินทรีย์ปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยชาณะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมี9้าวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจใจมีเ้าวาระเป็นปัจจัยโดยอธิปัจจัยมี9้าวาระเป็นปัจัจโดยนัธิปัจัยมีเ้าวาระ เป็นปัจจัยโดยวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระ 1. ปัจจญานุโลม 2. สังคขยาวาระสุทไนั้อยยี่เหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณะปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีก้าวาระ ชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวัปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสมยุตตปัจจัยมีเก้าวาระ อธิปัจจัยมีฆ้าวาระนัตถิปัจจัยมีฆ้าวาระวิคตะปั จ, จัยมี9่าวาระมาวิคตะปัจัยมี9าวาระ 2. อปัจจียุทธาระรยยส้สภาวธรรมที่เป็นอาสาวะและสัมยุญด้วยอาสาวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมยุญด้วยอาสวะโดยอารมณะปัจจัยสะหาชาตะปัจจัยและอุปาเนสยปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโดยอรมณปัจจัยสหชาตตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโดยอรมณปัจจัยสหชาตตปัจจัยและอุปาณิสยาปัจจัย ร้อสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้ว ย, word, ททยอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัม ป, ป, ย, ป, ปยุทธ์ด้วยอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะโดยอารมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาเนสียปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอาสะวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะโดยอารมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาเนสียปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโดยอารมณะปัจจัยซาชาตาปัจจัยและอุปาณิสยาปัจจัยร้อยยีสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ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 เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโดยอรมณ์ปัจจัยสชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัย 2. ปัจยะปัจญิยะ 2. สังคยาวาระสุทไนัยย28นเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอารรมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระ โนวิคตาปัจใจมีเก้าวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจญิยะเหตุทุกกนในยยี่ณอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจใจมีสี่วาระละถึงณสมนันตระปัจใจมีสี่วาระณอุปาเนสยปัจใจมีสี่วาระละถึงณมัคคะปัจจัยกับเหตุปัจใจมีสี่วาระละถึงณวิปยุตตปัจใจมีสี่วาระ โนนัติปัจใจมีสี่วาระโนวิคตะปัจใจมีสี่วาระสปัจยะปัจญิยานุโลมร้อยสามสิอารมณะปัจจัยกับน่าเหตุก ป, ปัจจัยเก้าวาระอธิปติปัจจัยเก้าวาระพึงนับบทที่เป็นอนุโลมละถึงอวิคตะปัจจัยเก้าวาระอาจวะอาจวะสัมยุตตทุกกะจบสิบแปด อาสวะวิปยุตตะสาสวะทุกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจจัยร้อยสามสิบเอ็ดสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่วิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้น ละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตารูปหนึ่งสภาวะธรรมที่วิปยุจจากอาสะวะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะอาศัยสภาวะธรรมที่วิปยุจจากอาสะวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยมีสามวาระพึงขยายให้พิจารณเหมือนโลกิยะทุกะในจุลันตระทุกะ ไม่มีข้อแตกต่างกันยอ่ออาสะวะวิปยุตตะสาสะวะทุกะจกอสะวะคโคชะกะจก